ต้องตั้งใจอย่างนี้กันแล้วกันนะวันนี้เป็นวันสำคัญวันสำคัญที่เขาประกาศว่าวันจัดมงคลนะนะเรียกว่าวันถัดมงคลชาอัศการเขาบอกว่าเป็นวันที่ปรรมราชาพิเศษของพระเจ้า อ, อยู่หัววันนี้เราก็ใช้กำลังของสิบเจ็ดครูญาติบ้าง อาศัยความดีเรียกว่าบุญนะเกระโกนหรือว่าช่วยกันพยุงสงเคราะห์ตั้งจิตอาถิฐานเพื่อให้ผู้เป็นปองประมุขผู้มีความดีอันมากมายสุดจะพารนาได้ให้ท่านได้มีสภาวะ่งความสุขทั้งกายและใจเป็นกำลัง ในการนื้อฟื้นสภาวะของความทุกข์ของคนในชาติทั้งหลายให้มีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นตามปฏิปทาที่พระองค์ทรงได้ทำมานะแต่การตั้งเจตนาอย่างนี้มันก็ตระห น, นใจของเธอก่อนว่าใจของเราหากมีความกระตันอยู่รู้คุณกําลังจิตที่จะทำให้มันเกิดความสงบมันก็ไม่ยาก เอาความกระตุนกระตันอยู่เป็นหลักไล้วกันนะคิดแต่ ว, ว่าชีวิตเราเกิดมาถ้าเราไม่มีแผ่นดินอยู่เราจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ในน้ําำ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีแผ่นดินนะ <c oughs> ก็ต้ อ, อยู่ในน้ำนี่น้ํามันก็ไม่มีอะไรก็ก้อกูลเราก็ต้องเป็นสัตว์น้ํานี่เราเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งอากาศใช่ไหม <c oughs> จะเหาะลงนะแล้วก็ตั้งเจตนาจิตว่าพื้นแผ่นดินแผ่นนี้มีพระราชาผู้ทรงทศกิจราชธรรมเนี่ยปกปา ร, ราษาคุ้มครองมานานแสนานานมากเลือดเนื้อบ้างกระดูกบ้างถูกฝังแล้วละลายลงไปเป็นพื้นดินแล้วเป็นน้ําแล้วมากมายพิกกับไปกลับมาสูงบ้างต่ําบ้าง ก็ยังเป็นที่รักษาชีวิตของคนที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้ให้มีความสุขตามอัตภาพเราเองก็ได้โอกาสได้อาศัยพ้นแผ่นดินได้อาศัยน้ําอาศัยอากาศอาศัยแร่ธาตุที่เกิดจากอาหารมารักษาพยุงสังขารร่างกายเพื่อบําเพ็ญปฏิบัติทําความดีและ ให้พลจากกันเงียนว่ายใจเกิดในชาตินี้ก็แผ่นดินนี้แหละถ้าพระราชาที่ปกครองไม่สามารถเป็นผู้ที่ทรงทศพิทราชธรรมได้แผ่นดินนี้ก็จะร้อนไปไม่ยังในต่างประเทศข้างบ้านเราใช่ไหมเขาไม่มีพระราชาที่เป็นทศพิทราชธรรมเขาไม่มีผู้นํา อันประกอบด้วยคุณธรรมความดีอย่างพระราชาของเรานี้เป็นผู้ทรงฌานสมาบัติีภิญญาดีไหมรู้ได้ไง <c oughs> พ่อบอกนะ เ, เป็นผู้มีทรงฌานสมาบัติแล้วก็ทรงอภิญญาสมาบัติถือว่าท่านเป็นองค์ประมุขที่มีปฏิปทาอันเลิอสมแล้วที่เราได้มามีโอกาสได้เกิดในแผ่นดิน และก็ทำให้ร่างกายของเราไม่ต้องวุ่นวายเหมือนอย่างร่างกายของคนในประเทศเป็นอื่นสภาพจิตใจของเราก็ไม่วุ่นวายเหมือนอย่างสภาพจิตใจของประเทศอืน่นที่ไม่มีโอกาสที่จะหายใจภาวนาพุทธเข้าโพออกหรือว่าทำจิตให้สงบบ้างใช่ไหมเขาต้องคอระมัดระวังภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับเขาจะหนีไปไหนรูไหนพอจะขุดอยู่ได้บ้าง เดยวก็แย่งกันกินเดียวก็ฆ่ากันตายแต่เขาเราเหมือนจะมีบ้างแต่ก็ยังมีกฎหมายยังมีคนปกหมรักษาคุ้มครองถ้าไม่เกินวิสัยของกรรมเกินไปนะกระร็รอดที่กลั่นขึ้นมาอย่างนี้ก็เพื่อให้ใจของเราพยายามนึกถึงพระรูปผสมของท่านที่พระเจ้าอยู่หัวนะนะให้นึกถึงพระรูปผสมขอ ง, ององค์ท่านไว้ ก็ององนี้แหละถ้าท่านไม่ลาิดในการประพฤติปฏิบัติในโพธิญาณของพระ อ, องค์ท่านก็เหลือเวลาอีกแค่ห้าชาติไม่รู้เองนะพ่อบอกแต่นานแล้วนะทามาจริจัจจุบันเดี๋ยวนี้อาจจะลดชาติก็ได้นะมั้ยอันนี้เราไม่ทราบแต่พูดถึงตอนนู้นนะ ท่านไม่ลาแต่ก่อนก็คงเป็นไปตามนั้นแต่ถือท่านลาปิดของพุทธวิสัยยังไงเสียท่านก็ความเป็นอริยะต้องต้องฝากกดกระใจของท่านได้แน่ใช่ไหมเพ ร, ะระาะคุณธรรมความดีของท่านมีถึงขนาดนี้ย่อำเป็นของไม่ยากเมื่อเรากำหนดจิตเอากับพระพักหรือว่ารูปสมงขององค์ท่านขึ้นมาไว้ในกลางใจ ฤทธิ์นสิงึงองค์สเสด็จพระจอมแตรปรรมมาสตาสดาผู้เป็นปรร ม, มครูและลนิ์ในสิงคุณของครูบาอาจารย์สึกสืกันมาเป็นหลวงปู่หลวงพ่อขอท่านผู้มีอุปการะที่คุ้มครองสเสวกชัดของพระราชาของเราได้โปรดแม่ตาปรากฏ เจวาราษาไหล่ะเสวกชัดก็มีนะคาว่าสเสวกชัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญวาสนาบา ร, รมีคนที่จะมีสเสวกชัดมาปกปักไว้บนจิตหมายถึงว่าคุ้มครองเป็นเป็นสง่าเป็นราสีเฉพาะตนเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีบุญบา ร, รมีสูงจึงจะได้มีโอกาสมีสเสวกชัดแต่สมัยนู้น สมัยที่องค์เสนภาภพทรงสวัสดีโสภาพเมื่อพระองค์เป็นองค์เสนารพผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตรงมีสเสวยประชดไหมมีใครถวายสเสวยประชดให้แก่พระองค์บ้างไหม ลิกาเทวีท่านแม่สีนะนั่น้องขอบารมีท่านแม่สีมาอยู่ใกล้ๆลูกด้วยถ้าสเสวกกขชัดเนี่ยมีเฉพาะสราชาใช่ไหมคนธรรมดามีไม่ได้ดั น, นาการที่ท่านแม่สมัยนั้นสามารถถวายสเสวกกขชัด กับองเสด็จพระทรงสวัส ด, ดีโสภาพกับพระอรหันต์ไม่ได้คนถือนะคนไม่ได้ถือสเสวยกระชันะใช่ไหมสเสยกระชับหนักนะคนคนไม่สมควรในการถือสเสวยกระชัต้องใช้ใช่อะไรใช้เสาใช่อะไรใช่เลยถือสเสวยกระชัเห็นไหมใจเราดูซิ ว่าท่านใช่อะไร เ, เป็นเป็นเป็นตัวหลักเสวกระชัดเอาไว้จับสเสวกระชัดเอาไว้มีความรู้สึกของใจไหมแล้วว่าเป็นคนหรือสัตว์อ่นี้ง่ายๆก่อดีกว่ า, วามีไหมมีแบบโม่โม่มีไหม <laughs> ช้างนอะช้างช้างเป็นพูก จับหลักสเสวยกระชับเอาไว้ที่ให้เธอดูก็ให้เธอคิดตามนี้ว่าแม้องสเสดพระจอมแต่บรมมาสสดาทรงที่ทรงเป็นผู้มีพระหากรณที่คุณสูงการถวายทานครั้งนั้นที่เรียกว่าอาจิตทานเสวกระชับจึงเป็นทานอย่างหนึ่งในการถวายใช่ไหมสำคัญไหมสำคัญเพราะว่าคนธรรมดามีไม่ได้ เธอเป็นคนธรรมดาไหมใช่ไหมไม่ใช่คนผิดธรรมดาผิดธรรมดานะไอคนอย่างเรามันต้องมีสเสวยกระชัมีไหมไม่มีไปถอนเบนวิมานเอาไหมนะไม่ลลกลัวยอะหักเออ ดันเจตนาสินะพวกสเสวขาฉันของคนธรรมดายอย่างเราในยามเป็นมนุษย์มันไม่มีหรอกแต่ยังไงว่าบุญวาสนาบารมีของเราสามารถจะเข้าถึงนิพพานได้บุญใหญ่ไหมใหญ่คนเข้าถึงครานิพพานได้ต้องเป็นพระ อ, อรหันต์จริงไหมจริงเราจองไว้พระ อ, อรหรนะันต์น่ะตีตัวจองไว้แล้วใช่ไหมอรหันต์ต้องเป็นของเราวันใดวันหนึ่งเป็นของเที่ยงมั่ใจไว้มล่ะ เราตั้งมั่นใจอย่างนั้นพราเราปรารถนานิทานเป็นสมบัติเราตั้งใจละไม่ได้เกาะโกยเราตั้งใจจะทิ้งสังขาร่างกายไม่ใช่หน่งเหนียวไวมีใจความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมพราเราตั้งใจอย่างนั้นว่าแม้แต่ร่างกายอย่างนี้เราก็ไม่ปรารถนาจะพึงมีอีกนี่หมายถึงว่าไม่ยินดีแล้วน้นบา ร, รมีของเราคือความดีตั้งสูงไหมสูง มันต้องมีแต่จะมีกี่ชั้นน่นอยู่เรื่องหนึ่ง น, นะอ่าขอบา ร, รมีองค์สเสด็จพระทรงสวัส ด, ดีโ ส, สภาพลองดูของเราบ้างสิว่าสเสวกรชัตชิดชัตที่สุดตักไว้บนยอดเจยอดวิมานของเราเนี่ยมีไหมและเราลองดูวิมานของคนอื่นสิว่าสเสวกรชัตหรือว่าชัตเนี่ยมันคีอะไรชัตทำได้อะไร ทำได้ทองหรือว่าทองผสมแก้วหรือว่าเป็นแก้วล้วนๆมีไหมมีขานี้กี่ชั้นแต่รู้ไหมรู้นะเอาใหม่เราตั้งแรงอธิทัาเพิ่มบุญนะเพื่อทัดของเรานั้นใหญ่ๆจุยจ๋ยๆนะอะไรอย่างนั้นนะ่ะ ยังไม่พอใจนะเ อ, อ่อยังไม่พอใจมันต้องสวยฝันนี้มันต้องมีรัศมีเปล่งออกมาส่องสว่างสว่าง่ไปฝันนี้ใช่ไหมขอลงมาหลังเล็กเอานะตัดสินใจว่าขอเสวยกระชับบนยอดนิ้วมืมของลูกจนไม่จหล่นลงมาทะบหัวเรานะเลื่อนลงมาค่อยๆเลื่อนลงมา แล้วก็ย่อส่วนลงมาสามารถตั้งอยู่ในพานเจ้าของข้าพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้มีไหมทำได้นะอภิญญาต้องทำได้นะญญทำไม่ได้ไม่ใช่อภิญญานะอภิญญาอ่าแล้ตั้งจิตขอเราให้มั่นคงว่านี่เป็นบุญบุญอันเกิดจากกำลังใจที่เราสะสมมานับเป็นอสัไขัยกับไม่ถ้วนอย่างเลวที่สุดหนึ่งอสัขย กำไรแสงกับถึงจะสามารถมีวิมานปรากฏบนแดนนิพพานได้ถ้าตามแบบปณิสยากยังไม่บังเกิดผลให้เห็นได้ต้องเป็นตัวคนที่ตั้งใจปาตตนานิพพานมาอย่างเลวที่สุดคือหนึ่งอสงไข์กำไรแสงกับดี่ฉันเดานะอย่าถือเป็นตํารานะฮะถามพระที่ว่าเป็นไปตามนั้นได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าค่ะ ไม่ได้ไหมขันดาวมวั่วได้นะนั้นอย่างเลวในการสร้างบา ร, รมีในการที่จิตปัตนานิพานเป็นที่ไปเนะี่ยอย่าบางคนเขานิพพานปนปฏิโยโหตุบางคนนิพพานอนาคตการก็ถือว่าตั้งเจตนานิพพานไหมตั้งเจตนาไปนิพพานแต่เขาจะอนาคตการาหรือเมื่อไหลในอีกเร่งหนึ่งแต่เขาก็มีความปัตนานิพพานเป็นที่ไปจีิงไหมละ่ะอย่างนี้หมายถึงว่าตั้งอย่างนี้มาอย่างเลวอย่างน้อย หนึ่งอสงไข่กับกำไรอีกแสนกับกับหนึ่งไม่ต้องพูดหรอกนะว่าเกิดเท่าเท่าไรนับกันไม่ท้วนใช่ไหมนั้นเราสร้างบาลเมีนมากไปกว่านั้นอีกที่ตั้งใจจะไปนิพพานเนี่ยควรถามพระพุทธเจ้าสิว่าลูกทํามาในการตั้งเจตนาไปนิพพานมากกว่าหนึ่งอสงไข่กับจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าค่ะ มากไหมเยอยังไม่ถึงเลยถึงแล้วยังแอนะและเราตั้งเจชนะอธิษฐานเอานะว่าสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าเนี่ยคือเป็นตัวแทนของความดีคือบารมีที่เราสร้างของเรามานับเป็นอสงไขยกับเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีถัด ที่ปรากฏบนวิมานเนี่ยแตกต่างกันไปหากเคยจะมองไปที่องค์เสด็จพระจอมแต่ปรมารสาสาโดยเฉพาะเสด็จอมประถมน้องขอบารมีพระองค์ขอดูสิเขาดูเสวิกกระ ช, ชัดของพระองค์ที่ทรงประทับติดเอาไว้บนยอดวิมานของพระองค์นะ่มะมีความรู้สึกของใจเห็นไหม สว่างไหมอ่ะสว่างมากใหญ่ด้วยนะแล้วก็พิเศษกว่าองค์อื่นๆใช่ไหมองค์อื่นรับท่านนะนั้นสภาวะที่เราอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเราตั้งเจตนาวันนี้คือตัวแทนของกำลังใจที่เราสร้างสะสมความดีมานับสะสมไขยกับไม่ถ้วนแต่บัดนี้เราจะขอตั้งเจตนาจิตนาองค์เศรษฐพชินศีบรมมาสสดาใหม่สร้างกาลังใจใหม่นะ ที่ตามนี้นะจ๊ะว่าบารมีทั้งสามสิบทัพที่ลูกได้บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่อ่อนกําลังใจอ่อนกําลังใจขั้นกลางจนบางครั้งก็เป็นปารมัตบารมีบ้างแต่ชาตินี้ลูกราถนาจะสิ้นทุกไม่ต้องการเวียนไหวใจเกิดขอกําลังใจที่เคยกําเนิดเกิดขึ้นมานับอสงไขยกับไม่ทนจะมรรมกัน นักการใจของข้าพระพุทธเจ้าจงสว่างสวัยมีเครื่องอยาเป็เครื่องรู้แจ้งชัดเจนจำใสาตามความเป็นจริงในสัจธรรมขอปัญญาของข้าพระพุทธเจ้าในเวลานี้จงรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงนักการระบาดอยู่นี้เป็นต้นไปด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าว่าแม้นการให้ที่ลุ ก, กําหนดจิตเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้หรือมีในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ และจะพึงมีปรากฏในอนาคตอันใกล้การให้ของข้าพระพุทธเจ้าจะไม่หวังผลตอบแทนจากบุคคลใดๆจะทำเยิ่ยงอย่างพระอริยเจ้าท่านทั้งหลายที่ไม่ปรานาความสารเสริญเยินยอไม่สนใจคำตำหนิติเตียนด่าว่าไม่คำนึงถึงผลตอบแทนกลับมาว่าจะพึงปรากฏกับองค์ท่านอย่างไร ขอกำลังใจของข้าพระพุทธเจ้าในการระบัดิอยู่นี้ยินดีในการให้โดยไม่เสียด า, ายอะไรอวันกับชีวิตถ้าสิ่งเหล่านั้นสามารถเกือกูลพระสัพพสัตที่ปรารถนาในสิ่งสมบัติที่เราคึงให้มีพึงมีพึงให้ได้โดยที่ตัวเราไม่เดือดร้อนเราก็จะยื่นให้ทันทีโดยไม่ลังเลสงสัยไม่มีคิดที่ปรารถนาแม้แต่เขาจะมายกมือไหว ไม่คิดยินดีแม้เขาจะยิ้มย้มแน่ใสให้กับเราหรือเปล่าไม่วิตกวันไหวกระทั่งเขาจะด่าตามหลังว่าเอาสิ่งเ น, นี้มาให้เขาทำไมแต่เมื่อเราตัดสินใจให้เพราะเราต้องการละความโลภเราตัดสินใจให้เพราะเราปรารถนาให้เขามีความสุขเธอยินดีจะทาอย่างนี้ไหมล่ะยินดี ถ้าเรายินดีในการให้อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าปัญญาคือความเข้าใจในผลว่าสิ่งเหล่านี้คือสมบัติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจริงไหมเราไม่ได้มีมาในการก่อนก่อนที่เรามาจุติเราไม่ได้ติดตัวมาเรามาตัวรานจันต์ออกมาก็รันจันตใช่มตอนมาเราก็มามาน้อยปั น, นี้ใช่ไหมแต่ตอนโผล่มาขามีหัวมีนะตอนนั้นไม่มีแบบนี้ นี่มันเพิ่มได้กำไรได้ขาดทุณก็มารู้นะยังดีเสมอตัวนะยังมาเหมือนชาวบ้านเข้านะถ้าม า, มากกว่าชาวบ้านแลวน้อยกวชาวบ้านก็แย่เหมือนกันจริงไหมสรุปรวมปาว่าล้ำบาตรที่เราจะให้คนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นสิ่งที่เราได้มาในความยากลำบากในการสร้างมันมาที่เป็นเอาแรงงานของเราไปแลกเอาเงินมา ไปซื้อของมาหรือว่าใช้กำลังของเงินเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นทางมหรืเราต้องใช้เอากำลังใจในความอดทนอดกลัน้นว่าเขาจะด่าเราเนี่ยเราก็ยิ้มเขาจะไม่ชอบใจในสิน่งที่เราให้ให้เราก็ยิ้มรับถ้าใช้ปากอดทนสูงไหมสูงเพราะเราถือว่าเราไม่ปรารถนาหรอกเคอจะเอาไปทำอะไรก็ตามใจเคย ของฉันมีอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่สนใจไม่ถึงว่าจะมีอยู่กับฉันฉันก็ใช้ถ้าฉันจะไปเสียฉันก็ไม่อะไรอาวนุนแต่เวลานี้มันมีเกินพอดีไม่ถึงว่ามันมีพอเผื่อให้กับเธอได้บ้างหากเธอเป็นทุกข์เราก็จะให้ถือว่าช่วยเหลือสับตตัดผู้ร่มเกิดแก่เจ็บตายได้กันใช่ไหมเราก็ให้ได้มีเงินให้เงินมีของให้ของถ้าไม่มีไม่มีเงินไม่มีของให้แรงกายกําลังตายกําลังวาจาช่วย อย่างนี้กําลังใจเริ่มดีขึ้นอีกนิดไหมเราก็สร้างกําลังใจขอเราต่อไปว่าก็ความอดทนอดกลั้นของเราอย่างนี้มันเต็มด้วยความเมตตาถ้าเราไม่เมตตาเขาเนี่ยเราให้ได้ไหมไม่ได้เราไม่รู้จักเขาเป็นคนดีคนชั่วเราก็ไม่รู้มาในกันก่อนแต่บังเอิญว่าเขาเดือดร้อนเขาต้องการที่พึ่งถ้าเข้ามาในอาการหลอกลวงให้ไหมให้งงนะ ขณะดทักคุณเจ้าแต่งองค์ทรงเครื่องแบบสงฆ์นะจะมาเหล่าปราเสริฐสินกินข้าวสองร้อยี่สิเจ็ดใช่ไหมกินห้าไม่มีอดเมินเสียจนะไม่เด็ดแย่เระเราก็ไม่ให้ให้บมากินดี ก, กว่าหมาจะกรกะดิถามั้งใช่ไหมเออหรือเราไม่ต้องการคุณของมันมันก็อยากสแสดงคุณตอบเราใช่ไหมละ่ะนั่นแหละนะ เราทํากําลังใจอย่างคนมีปัญญาไม่จะให้ด่านะต้องมีปัญญาในการให้ว่าให้บุคคลที่ควรให้บุคคลเหล่านั้นมีกรรมมีเวรในความชั่วเกาะคุมใจมากก็ไม่สมควรที่จะพึงมีพึงได้เอาไปให้คนอื่นดีกว่าให้คนเขาลาบากแต่เขาเป็นคนที่มีความดีบ้างพอมีตั้งใจจะดีบ้างเพราะเรามีน้อยใช่ไม่มเราไม่ใช่โครวยงิงก็เรามีจํากัดกระเป๋าจะฉีกอยู่แล้วนะ เปิแล้วเปิดอีกนะนะมันจะถี่อยู่แล้วนะเออนับดูยังเหลืออีกเท่าเท่าไร่จับบ้านไหวไหมนันการให้ของเราจึงเต็ ม, ตมไปด้วยความเมตตาไหมต้องเมตตาเมตตาตัวนี้ไม่เลือกใครครําว่าไม่เลือกหมายถึงว่าใครก็ได้คนก็ได้สัตว์ก็ได้ไม่เปียงว่าคนนี้เป็นคนรวยเราจะให้คนนี้เป็นคนสวยเราจะให้ คนนี้เป็นคนที่สามารถเชือกุนงานของเราได้เราจรึงให้เราไม่ได้ือย่างนั้นแต่ประเภทนี้เราให้แต่ประเภทนี้เราไม่ให้ไม่ใช่เลือกแบบนั้นเราให้ทุกคนแต่เราดูว่าคนควรให้หรือไม่ควรให้เท่านั้นแหละหรือว่าตัดควรให้หรือไม่ควรให้ตามกำลังของกำลังทรัพย์ที่เราจะพึงมีเย่างนี้มีปัญญาไหมปัญญาเราก็เต็มเมตาเราเต็มไหมเราก็เต็ม แต่เราก็วางเฉยยอมรับกฎของตามเป็นธรรมดาว่าแม้เราจะให้ทัศเท่าไหร่คนเหล่านี้ก็ตายสัตว์เหนี้ก็ตายเราจะให้เขามากขนาดไหนคนเหล่านี้ก็แก่คนเหล่านี้ก็เจ็บป่ย ว, วยไข้ไม่สบายนั้นการให้ของเราหวังผลไหมไม่หวังผลว่าเขาการให้ของเราจะทําให้เขาุกสบายได้มากแค่ไหนหมายถึงว่าให้ครั้งนี้เขาจะต้องมีร่างกายดีมีฐานะดีสามารถจะประคับประคองชีวิตของได้ของเขาได้เลย เราก็ไม่หวังแบบนั้นเพราะมันไม่แน่เราให้เขาไปแล้วกลางทางอาจจะถูกงวงปิดตายรถชนตายก็ได้เราให้เขาไปแล้วมันอาจจะต้องถูกคนอื่นยื้อแย่งไปก็ได้ตามกฎของกรรมใช่ไหมเน้นสภาพนี้เรายอมรับความเป็นจริงว่าเบื้องหน้าเขาจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาเราให้เขาไปแล้วเขาจะแก่จะเจ็บจะตายจะมีกรรมีเวรอย่างไรนั่นจะเป็นเรื่องของเขา วางใจทิ้งไปซะเมื่อเราให้ปล่อยให้สัตว์เป็นทางปล่อยลงไปในแม่น้ําเพื่อมีความชุ่มชื่นมีความสุขของคนที่ดูแล้วก็สัตว์ได้มีชีวิตอั น, นสุขแต่พอหย่อนลงไปฟกไอตัวเล็กตัวใหญ่มัด ก, กินคาปากเลยนะอย่างนี้จิตของเราก็ไม่ได้หวันไวในการให้ทานของเราถือว่าการวางใจของเราเต็มไหมเต็ม เต็มเพราะเรามีปัญญายอมรับความเป็นจริงใช่ไหมนี้กําลังใจของเราเต็มไหมเต็มเมื่อกําลังใจของเราเต็มอย่างนี้นับภาษาอะไรกับร่างกายอย่างนี้ที่ไม่ใช่ของของเรามันจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้มันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันยินดีเสมอเมื่อความตามมาถึงกับเราเราจะได้พ้นทุกไปนิพพานขอบา ร, รมีขององค์เสด็จพุทธพิชิตธรรมบรมมาศาสดา ได้ความเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้กําลังจิตของข้าพระพุทธเจ้าเวลานี้มีประมาณสักเท่าไหรขอแสงสว่างบนฉับได้ฉับจงเปลี่ยนไปตามกําลังจิตของข้าพระพุทธเจ้าบัดนี้ด้เถิดพระพุทธเจ้าค้ามีความสู้กึกเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนใสขึ้นสว่างขึ้น เมื่อกําลังของเราเริ่มแก่ก้าเริ่บ้านะฮะคนบ้าทําอะไรได้ทุกอย่างใช่ไหมอ่าตอนนี้ชักบ้านะใครอยากได้เอาไปเลยแต่นั้นหมายถึงว่าฉันต้องไม่เดือดร้อนนะจ๊ะอ่าในเดือดร้อนเราไม่ทําเราไม่ใช่พ่อคูทิยานใช่ไหมเราอะไรยานดีกินเหนียวแต่ยานไม่ใช่กินเหนียวแต่ยานนะเราเป็นผู้ ปาณาณาเอาตัวเองรอดพ้นแต่ว่าเรามีเราช่วยถ้าเราสุดวิสัยของเราเราก็ช่วยไม่ได้เราก็วางเฉยถือว่ากรรมของใครก็กรรมของมันนะอา่า เ, เกิดมาแล้วนี่ถ้าเกิดได้กันนั่นแหละต่างคนต่างทําเอาสินะนั้นเวลานี้เราถือว่าเราทําเพื่อตัวใข่ตัวมันแต่ถ้าเรามีเราช่วยช่วยทุกคนตัดก็ช่วยคนก็ช่วยเจ้าดานังฟ้าผีเผลอช่วยหมด แล้วเผลอมันจะช่วยยังไงมผีช่วยได้ถ้ามันเผลอล้วช่วยไม่ได้มช่ไเออต้องไม่เผลอนะผีเราไม่เผลอช่วยได้นะเขาสเด็จพระจอมแายาประมาศสดาลูกขอถวายทัดอันนี้เป็นกำกำลังบา ร, รมีของข้าพระพุทธเจ้าทูลถวายาาต่อองค์สเ็จพระจอมแายาประมาศสดาทุกทุพระองค์ขอมีส่วนร่วมในกําลังความดีคือบา ร, รมีที่พระองค์ทรงสร้างมาแล้วทั้งสามสิบทัด มีเสด็จองเสด็จพรทรงสวัสดีสภาคองค์แรกคือเสด็จองปฐมเป็นที่สุดจนถึงองค์ปัจจุบันขอที่ปรรับโมทนาได้เถือพระพุทธเจ้าค้าต่งรับไหมและลองถามพระองค์ที่ว่า และพระองค์จะเอาชัดของข้า พ, พุทธเจ้าไว้ไว้ที่ไหนพระพุทธเจ้าข้ามีแมสทรงสัจอะไรกับเราในความรู้สึกของใจนี้บ้างไหมมนะเอาไว้ที่ไหนรู้กันนะดูเองก็แล้วกันนะไม่ต้องบอกแล้วก็ดูผลความดีที่เพิงบัเกิดมีกับเราเดี๋ยวนี้ ขอบุญจงบางเกิดผลใลนความอัศจรรย์ถัดนั้นจงไปปรากฏบนยอดดิบมันของข้าพระพุทธเจา้าโดยทันทีแค่นี้เดบะเก่าไหมเดายเยอะเลยไม่เอาถอมาอีกยังไม่พอเนาะไม่พอน้อยไปเอาอีกขอม า, มาอีกตั้งเจตนาฉันจะสละถัดละเป็นครั้งที่สองนะ จงมาเกาะไม่ใช่กองตั้งไว้บนภานแก้วเชื่อรอรับลูกขอตั้งเจตนาจิตเหมือนอย่างเก่าว่ากําลังใจของข้าพพระพุทธเจ้าปรารถนานิพพานเป็นที่ไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่สมบัติของข้าพพระพุทธเจ้าจะสะละละออกไปเสียประโยชน์ยังกระบุคนทั้งหลายได้มีความสุขบ้างจักสุขบ้างคนสุขบ้างเพื่อแผ่ความสุขกันเป็นชาติสุดท้าย รัตนาพระปเจกับพระเจ้าทุกตุพยองได้โปรดปรากฏขอรัตนาพระอรหันต์เจ้าพระกขีนาสัต์เจ้าทั้งหลายคือพระอรหันต์นะนะได้โปรดเมตตาปรากฏมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่ทุกตุพะองที่เป็นพระอรหันต์ขอรัตนาพระโพชิสัตว์เจ้าที่มีบุญบารมีเต็มแล้วมีพระศีอริยเมตไตรมีนุ๊กปูนเป็นที่สุดขอน้อมระได้นึกถึงพรหมทั้งหลายทุกตุพะองค์มีท่านปู่สัมปดีคมเป็นที่สุด น้อมใจนึกนึกถึงเทวดานางฟ้าทุกพระองค์ท่านผู้มีพระคุณท่านท้าจากจบมหาราชทั้งสี่โดยจะพบท่านปู่ท่านยา่ากับฤากฏแม่ตาสงเคราะห์ปรากฏในความรู้แก่ข้าพระพุทธเจ้าชัดเจนตามความเป็นจริงในเถิดพระพุทธเจ้าข้าท่มานบ่าวไม่ในความรู้สึกของใจของเรา แล้วก็ตั้งเจตนาว่าฉับที่ข้าพเจ้าพึงเมในเวลานี้ขอจงได้มีส่วนร่วมในกําลังบารมีของท่านทั้งหลายทุกๆพระองค์ทั้งหมดจี่ดูได้เก่าวพนามาแล้วขอได้เจตนาแห่งจิตที่ข้าพระเจ้าขอนับน้อมจงมีส่วนร่วมในกําลังบารมีคือความดีของท่านทั้งหลายจงมารวมกันที่ฉับ น, นี้ขอนับน้อมถวายเป็นเครื่องสการะบูชาต่อทุกๆุกโลกอีกสักครั้งหนึ่งขอได้โปรดรับ นโมธนาได้เจอพระพุทธเจ้าค่ข้ารับไหมรับหลวงพ่อรับไหมล่ะรับถามหลวงพ่อที่ว่าหลวงพ่อจะเอายอดของของลูกไปไว้ที่ไหนเผื่อมาอีกทีจะได้เจอนะอ่า บอกไปนะนะแล้วขออานิสง์ของความตั้งใจเจตนาจงมีภาระอานิสงส์ปรากฏนวิมานของข้าพระพุทธเจ้านการระบัดเดี๋ยวนี้จะเสด็จพระพุทธเจ้าข้าอันนี้ยอดเยอะไหมเยอะยอดไหมเยอะยอดเลยีิมาหลังเดียวยอดเต็มไปหมดเลยใช่ไหม เอาเราอะแตกนะครับนี่นะฮะไม่กลัวอ้ไรนะมีอันเดียวตอนนี้มีเยอะเล้นะเต็มไปหมดเลยนี่เรียกไอส่ ง, งการถวายฉับนะถ ว, ถวายสถวายเสวิกฉับเราก็เอากําลังของฉับของเราทุกคนมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวดีไหมนะ่าตั้งเจตนานะวัดเราทุกคนที่อยู่ที่นี่มีความเคารพ มีความศรัท ธ, ธาเริ่มใส่ต่อพระราชาของเราผู้เป็นยอดแห่งคนประพฤติปฏิบัติตนเยี่ยงพระโพธิสัตว์มีกําลังจิตอันแข็งแกร่งจิดเดียวยากที่บุคคลใดจะเสมอเหมือนตรงจงเป็นผู้สมแล้วที่จะมีสเสวยกระชับอเมนเพื่อปกปักราาักษาขอสเสวยกระชับที่ข้าพระเจ้าพึงมไีได้ได้กําลังความดีสะสมมนุษพ์ระสงค์ให้กลับไม่ช้วน โลกทั้งหลายขอรวมกำลังความดีทั้งหมดเป็นอันเดียวกันเป็นชัดเดียวกันตั้งประงานอยู่ณเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าในกะารระบัดเดี๋ยวนี้้วยเสียพระพุทธเจ้าค่ะ ไหมไมีนะขอเชิญเทพเทวดาผู้อารักขาเสวยกระฉั ข, ของพระองค์ขอท่านทางหลายได้โปรดเมตตา ม, มาปรากฏให้ข้าพรเจ้าได้เห็นองค์ท่านได้เถิดพระพุทธเจ้าข้าขอท่านทางหลายจงมาชื่นชมมโมทนาบุญบรารมีที่ข้าพเจ้าสร้างมาขอท่านจงโมทนารับเสวยกระฉับ ข, ของข้า พุทธเจ้าทั้งหลายที่ตั้งใจถวายแก่พระราชาขอท่านได้โปรดนำสเสวกระชับของเรานี้เป็นคุ้มครองพระองค์ขอให้พระองค์ทรงมีสภาวะนั่ร่างกายอันแข็งแรงปราศจากโรคอันเป็นเครื่องทรมานกายปราศจากภัยอันเป็นเครื่องทรมานจิตใจและกายของพระองค์ท่านขอสเสวกระชับอันเกิดขึ้นในบุญบา ร, รมีของเราทั้งหลาย ท่านเทวดาท่านภูมินบหน้าที่ปกปักรักษาขอได้เป็นตัวแทนของเรานำสเสวยกษัตริย์นี้ไปปกปักรักษาคุ้มครองพระองค์แทนเราทั้งหลายได้เถิดท่านมาันกี่องค์ แล้วหรือยังดูตามไปสิว่าท่านเอาไปไว้ที่ไหนแล้ลองถามทช่นที่ว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปไหนท่านจะเอาเศวยฉัตอันนี้ออกไปด้วยไหม เอาไว้นะเมื่อครั้งใดเราได้ยินข่าวพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ไหนท่านทำภารกิจอะไรเกี่ยวกับชาบติศาสนาได้เป็นภารกิจในที่พระองค์ทรงกระทำต่ส่วนใหญ่พระองค์ก็ทรงทำเพื่อชาติเพื่อศาสนาโดยแนละ้อยู่แล้วใช่ไหมทุกกิจนะนะขอให้เราได้เห็นสเสวยกระฉั บ, บทุกครั้งไป เดี๋ยวเดีวเดาๆเลยนะเอาเซะเยอะแยะเลยไม่ได้ลูกของพ่อโง่ไม่ได้ดไไดต้องฉลาดใช่ไหมไอ้เราโง่ทำบุญไม่ได้หรอนั้นเราต้องฉลาดทำไหนๆนเราก็มีกําลังคว า, นน า, ามเป็นจิตไหนๆเราก็มีจิตที่เป็นอภินญาสมาบัติเรามีองค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสข่าเป็นบรมขู่ของเราโง่ได้ไงเจอชื่นลูกพระพุทธเจ้าหมดใช่ไหมต้องฉลาดทำนะ ก็สมเจตนาไหมล่ะนะวันสัจมงคลนะถ้าเธอทำอย่างนี้ไอสมก็จะกลับมาหาเธอเธอเดินไปไหนเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองกับตัวของเธอเนะี่ยเธอดูสิท่านถืออะไรถือมัตบองเื <c oughs> ่ออะไร เอนี่ยเรามีบุญไหมเราก็เป็นคนมีบุญเราไม่ใช่พระราชานะในโลกมนุษย์ไม่ใช่แต่ว่าต่เราเป็นราชาเอกของจักรวาลพออะไรรู้ไหมพระจักรวาลเราจะไม่เหยียบอีกนะเราจะไม่เหยียบอีกเลยเราสามารถจะเห็นจักรวาลได้ทุกเมื่ออพูดอย่างนี้เดี๋ยวขายครั เหมนพระบรมรูปารุภภาพหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันนะในเรื่องของจิตนะกายภายนอกมันไม่ใช่นะแล้วพูดถึงความดีในการสร้างบา ร, รมีใช่ไหมนะการสร้างบา ร, รมีถ้ากลับไปวิมาของเถินะ ดูชัดที่มันขึ้นดังดอกเห็ดนะครับพลับพลับพลับพลับไปหมดนะถ้ากิเกตมีเยอะก็เอาแต่อันเดียวพอเอดีไหมเออมันแพพล่าไปหมดเอาอันเดียวแหละอันเดียวก็มีอันเดียวนะใช่ไหมยอดไม่โวนนะอันเดียวมันจะหายไปไหนแต่ยางมีกี่อันก็พอนี่ยแต่ว่าจะกี่กี่ชั้นนั่นก็เรื่องหนึ่งนะตามปวามดีแถ้ามันเท่ากี่ชั้นกระชังหัวไม่จําเป็นละนะว่า บนเกิดแล้วได้เจตนาอันนี้ไม่สำคัญเป็นของภายนอกไม่ใช่ใจเราใช่ไหม่จเราเต็มแล้วคำว่าเต็มแล้วไม่ถึงว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้กําลังใจเราเต็มแต่เวลาไปใช้เต็มไม่เต็มนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะจริงไหมนะตอนนี้เต็มนะแต่ตอนเอาเก็บไว้ก่อนหนะ้ามันยังดีอยู่นะ เอาเก็บไว้ก่อนเถอะยัยงเสียดายย่งเสียดายเอาก่อนเถอะนั่นทานของเธอเนี่ยเธอให้มาอย่าให้กับพระพระจะไว้ใช้ส่วนตัวพระก็กระด่าเพราะว่าอนันนสองมันน้อยก็ให้เป็นสังฆะเผื่อประโยชน์จะปุกพระองค์อื่นที่เอาปรารถนาความสุขในส่วนที่เธอให้มา นะจ๊ะอ่าเป็นอย่างนั้นพถ้าเอาไว้ใช่องคเดียวมันก็กระดาษตายนะแล้วตอนบวชเราก็ไม่มีอะไรมาใช่ไหมไม่มีอะไรมาตอนนี้มีเยอะแยะเจี๋ยวของกูของกูไปไหนนะเจ้ากบกวดไปไหนมันเยอะจัดแล้วนะชั น, นี้ก็ที่เกียดที่เกียรจะดูแลแล้วนั่นการการให้การเอาออก ก็เป็นสมัิของบ่เคยพระรับอย่างเดียวนะถ้รับอย่างเดียวจะเผื่อแผ่เลือแผ่นทุกองนัเนะเ้าก็ต้องทาอย่างนี้เพราะเป็นหน้าที่ไม่จะบวชมาทำเกลือจริงไหมก็เอากันว่าทบทวนนะ เดี๋ยวใครจะกลับก็กลับไปตัวใครตัวมันนะวันใครบ้านมันที่ใครที่มันนะเ อ, อแต่จงจำไว้อย่างหนึ่งนะไม่ได้เตือนแล้วก็ไม่ได้ขอร้องแต่บอกในฐานะของผู้รักเพื่อนเริ่มเกิดแก่สจ็บตายเหมือนกันนะนะพอเกิดมาทั้นที จงอยากเห็นไอ้สิ่งที่มันไม่ดีสิ่งของดี ห, หมายความว่าสมบัติที่มีในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ของดีของเราหรอกแต่ที่มันต้องเ ป, เป็นต้องใช้ก็เพราะว่าเรามาบนเทาทุกถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องทุกข์มากใช่ไหมล่ะอับอายขายขี้นหน้าแก้ผ่าเดินใครจะทนไหวนะเอออย่างน้อยก็มีเสื้อผ้า ป, ปะขาดขาดใส่ักหน่อยก็ยังพอเดินได้ใช่ไหมอ่า คืออย่างนั้นแล้วก็ยังมีบ้างแต่ทั้งเรามีม า, ากแต่บางคนที่ยากไร่ไม่มีเลยแล้วก็สละตรงนี้ไปไม่จําเป็นจะไปทำเรามากับใครเราบ้านไหนเพื่อนคนใดเขามีไหมน้องคนนูน้นหลานคนนี้ลําบากไหมเสื้อเขาเก่าๆแล้วก็ซื้อเสื้อใหม่ๆให้กับเขาสักตัวหนึ่งถ้าเราเงินเรามีเราให้อย่างนี้เธอจะบอกว่าอันนี้สงม น, น้อยถ้าเราไม่ได้ถวายกับพระไม่จริงหรอก ต้องจำ น, นะนะไอ้สองของบุญมันเกิดขึ้นจากกาลังใจกําลังใจเต็มบุญเต็มกําลังใจไม่เต็มบุญไม่เต็มพูยอย่างนี้นะจะเสียงไหมละ่ะถ้เสียงไม่เสียงก็พ่อเองกล้วกเส <laughs> ียงก็ฉันเสียงได้นะเออมันไม่จําเป็นนะ เราจะให้กับสัจจะใดฉ า, านจะบอกไม่มีอันใดสงหรือมีอันใดสงน้อยเพื่อให้กับพระและเป็นสังฆทานไม่ได้บุญนั่นมันเป็นบุญแต่กําลังใจเนี่ยมันสําคัญกว่าแต่ไม่ใช่ห้าวว่าทําอย่างนี้ดีไปอย่างนู้นนะไม่ใช่อย่างนั้นพูดถึงว่าเรามีโอกาสให้ก็ยังจะเลือกอย่าเรียกว่าสัจจสฉานเราไม่ให้คนอย่างนี้เราไม่ให้เพราะบุญน้อยให้พระดีกว่าบุญเยอะอย่างนั้นนะ ถ้ายัางเลกบุญอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่ป่าชนาก ร, รมวจรสวรรค์เขาได้ติดในบุญเนี่ยว่าบุญย่อมทําเหตุไปสู่รกรรมามวจรสวรรค์ได้ถ้าเรายินดีในฌานสมาบัติไม่สนใจในบุญทานการบริจาคนั่งเอานั่งอย่างเดียวยืนอย่างเดียวกางแขนกางขาว่าไปเถอะนะสนใจในฌานสมาบัติอย่างนี้ถ้าตายอารมณ์ยังคาอยู่ก็ไปผมได้เน่ยว่าไปผมได้แต่คนจะไปนิพพานต้องมีกําลังใจเป็น ตีจะไปนม่ผ่านได้เข้าใจตรงนี้นะทํายังไงกําลังใจเราจริงจะเต็มคิดเป็นแล้วใช่ไหมพาธเนนําแล้วนะเอาไปคิดอย่างนั้นก่อนที่เราจะให้คิดให้มันเต็มใจเราก่อนว่าเราต้องไม่เสียดายเราสละไปเราไม่วุ่นวายไม่กังวลในภายภาคหน้าไม่ใช่มีเงินขนาดนี้แล้วเราให้ไปแล้วแล้วมาเสีย ด, ด้ยไหแล้วคุณไม่น่าให้เลย เนี่ยสิทธิครต้องไปทําอย่างโน้นอีกไม่งั้นเงนนส่วนนี้ก็พอทำอย่างนั้นได้แล้วใช่ไหมคิดใหมันตกให้กําลังใจมันเป็นบุญของเธอก็เต็มเพราะเธอจะมีความสุขมากสุขตรงที่เธอได้ละความโลภจิตมันจะพองมันจะมีความสุขโปร่งสบายไม่มีอะไรมากระทบให้ระเครินใจเลยเพราะเหตุที่ว่ายินดีเลยเธอก็เฉยๆใครชมเธอก็ไม่สําคัญใครจะด่า ไม่มีความหมายใครจะเป็นจะตายเรื่อ ง, องเขาให้ไปแล้วเราจะตายก็ตายไปสินะไม่จําเป็นถ้ากําลังใจของเธอทรงได้อย่างจะสุขไหมล่ะมีความสุขแล้วถ้ามันตรงอย่างนี้เป็นปกติสุกไหมยิ่งสุขวันๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องสนใจมีก็ทําไปทําที่มีเรามีแค่นี้เราก็มีเท่านี้เราก็แสวงหาไปตามนาทีมันได้มาเราก็เอาไม่ได้ก็แล้วไป ใครอยากจะเอาไปด้วยอาการอย่างใดถือว่ากรรมของเราทำมายันนี้จะวุ่นวายไหมล่ะไม่วุ่นวายเขาแค่กินชี่ทายนอนทำงานทำใจตัวเดียวอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องหวดเป็นภาพเป็นทีหรอกใช่ไหมทำได้ดูอย่างท่านหญิงวิภาวดีรังสิตสินะ ท่นยังทํำของท่านจนเต็นกาลังใจแล้วก็เป็นพาาระอรหันต์ไปนิพพานท่านทําอะไรให้ทานกับทหารือไปช่วยทหารเอาขอไปแจกทหารบุญใหญ่ไหมละ่ะถ้าพูดถึงธรรมดาบุญไม่มากหรอกเจียมไหมทานมีสินหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยมีสิลหรือเปล่าสินห้าครบหรือเปล่าชางวัดตามทานแล้วก็น้อยเจียมไหมน้อยแต่นั้นไม่ใช่ไม่สําคัญ มันสำคัญกับการละกําลังใจเต็มเพระนั่นน่ะสำคัญฝ่าในการทำความดีจําตรงนี้ไว้นะจงทําความดีทํายังไงก็ได้ให้กําลังใจมันเต็มเต็มโดยไม่อะไรอาวรณ์ไม่ไม่เสียดายไม่กังวลไม่หวั่นไหวนั่นแหะเต็มเต็มของการสร้างความดีในเรื่องหนึ่งที่บอกก็คือว่าเงินที่เธอให้มาเนี่ยเป็นเอาไปสร้าง ร่มหล่อพระองคตผม99นิ้วมัทนานะถ้าจะเป็นภาพประธานที่โบสในโบสนะก็ถือว่าการสร้างพระก็มีบุญใหญ่แต่สร้างพระไว้ในโบสก็ก็คงจะไม่แตกต่างอะไรเท่าไหร่แต่ว่าใหญ่หน่อยนึงเพราะโบสถครอบนะเขาจะมีโบสถครอบใช่ไหมก็ใหญ่หน่อยนึ่งก็เป็นเป็นประธานของสังกัดกรรมสําคัญสําหรับการเป็นพระ ก็สําคัญใช่ไม่มไม่ได้สร้าง พ, พระองค์อย่างเดียวพระมกขล า, า, าภาษาลีกุศลก็ร่วมไปด้วยแล้วก็หลอด้วยกันนะเง่งของเธอที่ให้มาบาดสลิงเนะี่ยมากกว่านั้นก็หมดนั่นแหละไปโปรกหมดแล้วนะแล้วตลอดของวันที่สิบที่วัดอะไรพันท้าเนราัาสิงเราพิชล อ, นะอนั่นแหละหล่มาเรนก็เลยเอางเงินของพวกเธอนะ่ยปะปะโปรโปรไปนั่นแหละ ทำโน่นบ้างทำนี่บ้างทัำจิปาถาบ้างหลาใจแฉกไปเลยเปย่านะแอาว่าบอกกันไว้ไม่ได้ให้เธอมาถวายเองนะไม่ใช่อย่างนั้นนะตั้งใจว่าเธอให้มาแล้วเธอจะได้รู้ว่าฉันจะไปทําอะไรไมได้มีโมทนากันนะตั้งใจะทำความไดเอาตัวที่จัดจงมาก็จัดจงไปตามนั้นนะจองไปตามนั้นเลยเปล่ไม่ได้เดี๋ยวลงนรก ลงแม่เลยใช้ผิรตเภตนะย้ายเจดีลงแม่เนี่ยก็ขาบอกไปเพียงเท่า น, นั้นแหละเดีย๋ยวรอเวลาหมดกัแล้วกันนะสี่หมดปะโอ้ยต้องสิบห้านาทีฮะคุยกันนะเออคุยกัน วันนี้สีสีวันนี้วันดีพรฉันจะจ ง, งคนเออนะนเช้ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ้อโฆษณาสาวุู ม, มีผู้ชายคนหนึ่งจริงๆแล้วเขาก็ร่มสุขร่มทุกข์กับฉันมาเนี่ยหลายปีหลายปีนะให้ตั้งใจรักษาสินห้าเนี่ยก็หลายครั้ง แต่ว่าเธอเป็นคนที่ออกจากเขาเรียกว่ามีมานะสูงไม่จาเป็นไม่ถึงว่าสินห้ามันจำเป็นหรอกไม่จาเป็นนับเท่าไรเลยการไปนิพพานของเขาไม่เขามั่นใจว่าเขาไปนิพพานแน่อ่มันแน่นะไม่มีสินห้าสินห้ามไม่เคยครบเลยนะบอกผมไปนิพพานแน่ผมมั่นใจเอาก็เลยแล้วไม่ว่าอะไรก็ปล่อยมันไ ป, ไป ประเดนวันนี้เซนก็บอกเขาว่าดิเอาจริงๆสักทีสินะตั้งใจรักษาสิบหา้าเต็มเป็นเต็เหัวใจสักทีสินะคิดเป็นไห ม, ไมอ๋ออย่างนั้นนะอ้หมดนาดสาสุกเขาอบอกฮ เ, เขาก็บอกว่าถ้าผมรักษาสิบห้าเพื่อโตของผมผ ม, ผมไม่ทํามีคนแบบเช่นี้นะมีบ้าๆแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะหมดขนาดสาสุก คุยไปวางไปก็แล้วกันนะเขาบอกให้ให้ผ ม, ผมบังคับให้ผมรักษาเจนท่าหรือผมคิดให้ผมพูดให้ผมรักษาจจนน้าเพื่อตัวเองผมไม่ทำหรอกอืมอ๋อหมดธนานะหมดธนาทุกคนะ ถามคนเขว่าทำไมเขาบอกผมไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวของผมเลยถ้าจะเสีเยสละและทำอย่างอื่นก็เพื่อคนอื่นสุดอา่าใส่เสื้อใส่เสื้อเพัฒนาพัฒนาแล้วกันไม่ได้พูดอัตตังนั่นเนี่ยเราตั้งใจให้แล้วนะแค่ไหนก็แค่นั้นแหละมี่ไปโอะเพิ่มนะเออทำป้ากันแล้วกันอา้า เพราะว่าเธอลองคิดซะใหม่การตั้งแต่ทำความดีรักษาสินห้าขอเธอจงทําเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเขาแล้วก็ถามว่าเพื่อใครเองดูข้างบนนะระวางกันนะแล้วมีมโนเหมือนกันนะ่ะจะบ ว, วมบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะเอ็งดูข้างบนนู่นไปเห็นใครเ้าบอกผมเห็นเซลดาหนังฟ้าคำตอหนอนั้นนะเอ็งรู้ไหมว่าคนเหล่านั้นเน่ะเขารอโมทนาความดีของเจ้า มาเงนะนะบอกเขาอย่างงั้นเพราะอะไรคนอื่นให้เนี่ยอย่างฉันให้เนี่ยเขาก็โมทนาได้แต่ไม่เชื่องใจเพราะฉันไม่ไม่ใช่หัวเขาไม่ใช่เมียเขาไม่ใช่ลูกเขาไม่ใช่พ่อเขาแม่เขาใช่ไหมเขาจะมาเชื่นใจอะไรกับฉันยังไงนะให้เขาก็โมทนาเฉยแต่ความเชื่นใจมันไม่เชื่องใจบอกนั่นแหละเขารอกันมาเป็นเกลียวสงขัยกับเองรู้ไม่ร้านน่ะเองลงริขภาพ สมัยก่อนของเปรตอนหนึ่งที่เป็นญาติพระเจ้าพิมพิสารนะสิรอนับเป็นกัป91กับจนถึง 9, กัปที่92นะที่จะได้มาโมทนาบุญของพระเจ้าพิมพิสารนั่นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารมีสิลห้าครบเป็นปัตตวดาบันเขาก็บอกอยังนี้ผมทำํำถูกใจครับแน่เราไม่ไหลอกเขานะ แล้วพอตรงไปตรงมาเอ้าดูสิจริงๆอะไม่ใช่ผีอย่างเดียวไม่ใช่เทวดาดำฟ้าอย่างเดียวเปรตก็ยังมีคนที่เขาต้องการบุญจากเธอนี่ะมีต้องเยอะแยะไปแต่ว่ารอเธอทำความดีเนี่ยเธอยังไม่ทำความดีสักทีเขาก็ต้องรอได้คอตกอย่างนั้นเน่ะเมื่อไหร่ลูกของฉันเมื่อไหร่หัวฉันเมื่อไหร่เพียฉันเมือม่อไหร่แฟนเมื่อไหร่จิ่ปาถะแล้วนะที่เกิดโท <c oughs> อ <c oughs> เออ <c oughs> ก็บอกว่าเขารออย่างนั้น่ะเยอะแาะใช่ไหม เม่อเช้ากันบร่านั้นหลวงพี่ครับเดี๋ยวผมเอาดอกไม้มาขอสินหลงพี่กันแล้วกันหลายปีนะไอ้บ้าเนี่ยนะว่าจะเอามารักษาสินท่าได้นะหลายปีเพราะเขาจะเห็นตรงเขาอย่างเดียวว่าเาไม่สําคัญเราไม่ถึงว่าเขาไม่ถึงค่าตัดจนเป็นอาจินเขาไม่ได้จีนเล่าจนเป็นปกติเขาไม่ได้โกหกจนเป็นเรื่องทําให้คนอื่นเดือดร้อน เอววางนั้นนะผมจะใิ้ลูกผิดเมียคนอื่นบ้างก็เล็กเล็กน้อยนอกนัลโหนะเล็กๆล็น้อยน้อยด้ความสดชื่นในชีวิตภา้สุดท้ายดูมันมันแน่นนะออแล้วก็บอกว่าเอ็งคิดอย่างนั้นก็ก็ไปตามความคิดของเจ้านั่นแหละเขาก็คิดอย่างนี้มานานนะคิดว่านิทานเล็กผมปไปเมลัยก็ได้ กํากลังใจเขาเขาแน่วแน่เลยไม่ถึงว่าเขาไม่โกเราว่าเขาจะไม่ไปนิพพานเพราะหนึ่งเขาไม่ได้ทํากรรมชั่วน่ะเขาคิดว่าอย่างนั้นนะสองประกายสองเขาตั้งใจทำความดีทำบุญเนี่ยเขาทำเลยชอบช่วยคนชอบให้คนชอบที่ภาทานให้หมดอ่ะแต่ยังก็บอกว่าจริงอยู่แต่เธอจะขาดตรงที่ว่าสมาธิของ่เธอที่เธ อ, ออยากได้ก็ไม่ได้ดังใจความคิดคือปัญญาที่เธออยากจะรู้ก็รู้ไม่ได้ดังใจถามว่าจริงไหม สครับเขาเพราะว่าพื้นฐานของเธอสินของเธ อ, อยังบอกล้องเธอจะได้สมาธิอย่างเป็นปกติได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เพราะคนมีสินห้าครบหรือมีสินอะไรครบก็ได้คนคนนั้นจะเป็นคนที่มีสมาธิขั้นผสมผสานเป็นปกติปกตินะจะหลับจะนอนจะที่จะถ่ายปกติหมดไม่มีคําววิตกแล้วถ้าคนมีผสมผสาน็นปกติปัญญาต้องมีความเข้าใจละเอียดประกาว่าใช่ไหม ก็จะมีปัญญาการรู้แจ้งละเอียดขึ้นป่าในสมัยที่ยังไม่มีสมาธิเป็นปกติความคิดตามอ่านก็จะดีขึ้นคว า, ามเข้าใจก็จะละเอียดมากขึ้นเอไม่เอาเหรอกู้หังใยังเยงฉย น, นะเฉยก็บอกทําเพื่อผมผมไม่ทําหรอกหินไอ้นี่มันหนะินดีนะไอ้ก็บอกก็เลยอธิบายเขาฟังว่าทําเพื่อคนอื่นเขาสิไม่ต้องทําเพื่อตัวเราเราหลับ จีนที่ลงมาเกิดก็เพื่อทําเพื่อประชาบ้านเขาเถ้าจะลงมาทําเพื่อตัวเองไม่ใช้ภาษาก็คุ้นว่ากูก็ไม่ลงบอกอัไร น, นะบอกเขา่างน น, นะบอกฉันก็ไม่ลงเหมือนกันลงมาทําไมไปในทางข้างบนก็ได้ใช่ไหมท่านแม่ยังไปได้เราลูลกแม่ไปไม่ได้มารนะู้ไหมสินะแม่เกาะสักหน่อยก็ได้เรื่องไม่เล็กๆนั่นลงมาทําไมถ้าลงมาไม่ใช่เพื่อจะมา ช่วยคนอื่นเขาใหมีกําลังใจได้เต็มสร้างกําลังใจตัวเองให้มันการให้ได้ําเต็มสนุกสนานอย่างนั้นแล้วจะลงมาเกิดทําไมเขาก็ยอมยอมสรวลาบนะสุดท้ายก็ท้าก็เลยได้าตื้นตาบานไปกลับด้วยคนมีสีน <c oughs> นะฮะกลับไปแล้วแบกกันแหละเอ้ไอ้กันแล้ ว, อลวโอ้ยเนี่ยมันแสบ น้องฉันทุกตัวเลยนะไม่จะทุกคนนะแต่ไปที่ไหนมันก็ฉากร้องที่นั่นแหละนะนี่มันหนึ่งในในเจ็ดคนนะยังอีกหกคนก็แสบพอกันอย่างเนี้ยแลอีกคนอีกคนหนึ่งแม่จะมาขอดูตัวว่าใครปราบลูกเขาอยู่เขามาขอดูตัวขำจะตายนานแล้วหลายปีแล้วโอ๊ยมันเกยตั้งแต่เด็ก กินเล่าในสมัยเรียนไม่เคยสนใจพระเจ้าไม่สนใจเท่านั้นแหละความผิดของเขาได้กระชูดไปในทางที่ชั่ว <c oughs> <c oughs> เร่องชั่วในกระชูดเลยนะเอบอบผมไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาไม่เคยสนใจว่าพระจะดียังไงไม่เคยคิดเลยแต่บุญนะนะคนเรามันถึงบุญมันให้เหมือนกับท่านองคุลิมานะนะะอคนเรามันอย่าไปดูถูกกันนะ เขาเร็วๆ เ, เนี่ยมันไม่แน่เขาจะกลับพบปั๊บกลับพันเนี่ยเป็นคนดีเป่าเราก็ได้จริงไหมอ่าอย่าไปดูถูกเขาว่าเขาชั่วเขาชั่วมันไม่แน่เราดูคนว่าดีๆพูดดียิย้มแย้มสิริใจดีดูจริยาท่าทางดูดีอาจจะเลวลงเอาเวทีซะเยอะแยะก็ได้จริงไหมละ่ะอย่ไปดูปริยาภายนอกนะดูกันไม่ได้หรอกไปเปิดแล้วเลิกคุยดีกว่าเออขอโมทนาทุกคนนะโมทนาบุญด้วย ฉันไม่มีฉันก็โมทนากับเธอ